สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 9 9กจากเรื่องของคุณวิทย์ครับเรามาปิดท้ายกันที่สายของคนนี้ครับคุณคิงหรือว่า King of Ghost ของเรานั่นเองครับ 1>, 1น0นาฬิกากับอีกประมาณ10นาทีครับมาร่วมปิดท้ายกันในค่าคืนวันนี้กับเดอะโกสเรดีโอของเราแล้วก็คุณคิงครับวันนี้คุณคิงมาพร้อมกับเรื่องสั้นๆ2เรื่องคุณผู้ฟังฮะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณคิงไปไปได้ยินได้ฟังมามาจากคุณแม่ของเพื่อนครับใช้ชื่อเรื่องว่าขอแสดงความรักและก็จะต่อเนื่องมาที่เรื่องที่2นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณคิงเองครับ ใช้ชื่อเรื่องว่าดอกไม้นี้ที่เจ็บปวดเดี๋ยวเรามาว่ากันสองเรื่องสั้นๆของคุณคิงที่จะมาปิดท้ายกับเราในค่าคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับคิดถึงผู้สั้นๆเลยหายไปเลยอะ่ะคิดถึงโอ้อโหพี่ตอนนี้เจ็ดแปดอย่างหมายถึงว่างานเยอะเลย<ม>ใช่ไหมฮะ<ช> ใช่ครับโอ้ดีจะได้รวยรวยทีคุณคิงมันจะรวยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> รวยสิคุณคิงเป็นคนที่อู้คิดดีทําดีทํานูน่ทนทํานี่เรื่องของวัดเรื่องของนู่นของนีง่งนั้นเยอะฮะเรื่องของศรราสนาอะไรเงี้ยเยอะอันเนี้ยผลระบูด <c oughs> แล้วล่ะโอ้ <c oughs> นะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังฟังฟังคุณวิทย์เล่าอยู่หรือเปล่าฟัางครับบอกล่าก็ขอบคุณด้ยนะฮะที่จะรอฟังเรื่องผมแล้ว เราฟังเรื่องถึงก็สนุกดีครับเออ <c oughs> นะฮะ <c oughs> คิดถึงเสียงนี้มากๆเลยคิดถึงคิดถึง <c oughs> เออนะะไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่นะโอ้ยไม่แกแ่เสียงแบบมันมันคุ้นหูอ่ะมันแบบเออเสียงนี้มาแล้วมันต้องมีอะไรมาฝากกันอย่างแน่นอนเนี่ยฮะถามก่อนสบายดีนะ หน่าจะดีพีถ้าไม่ยิงผมผมไม่ไหวน่าจะดีอยู่ตอนนี้ <laughs> ผมก็น่าโอเคอยู่ผมก็ไม่น่าถามนะถ้าไม่สบายจะโทรมาเล่าทําไม <laughs> ก็ไม่รู้เนาะ <laughs> มันจะโทรตีพี่เพวิจัยจะเห็นผมมีป่วยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไออันนี้มันครั้ง น, นี้ผมไม่มีอะไระโลง่โลงๆอารทำงานอยู่เดี๋ยวรออีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวจะเริ่มป่วย <laughs> สะสมป่วยทีแล้วก็หายทีแล้วก็เริ่มงานต่อเงี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะนะครับมา ว่ากันถึงเรื่องนี้คุณคิงครับเป็นเรื่องสั้นๆ ส, สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของคุณแม่ของเพื่อนเล่าให้ฟังครับมนะครับเรื่องของขอแสดงความรักครับมาว่าถึงเรื่องนี้ก่อนเป็นยังไงครับ อ, อมันเป็นเรื่องที่ผมฟังมาแล้วตอนแรกเลยผมแล้วฟังแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะมันไมมีอะไรแต่มาฟังตอนท้ายมันก็ตอนในคนลุกอยู่บ้างนะครับแต่อาจจะดูเป็นเรื่องเศร้าซะมากกว่าอืม เ, เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของแม่ของเพื่อนผมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนตอนที่เขาเป็นสาวๆเนี่ยก็จะมีธรรมดาเนาะคนเราเป็นสาวก็ต้องมีผู้ชายมาจีบอย่าเงี้ยแล้วหนึ่งในจำนวนคนที่มาจีบก็จะมีนคนที่เขาเป็นคนดีที่สุดจริงๆเนี่ยเป็นแค่คนเดียวที่เขามองมานานแล้วคือคนที่พยายามที่จะไม่ถึงนี้นถึงตัวเลยแล้วก็อ่าเป็นคนดีจริงๆเน่ยเอาชนะ คนในบ้านให้ได้แล้วเข้าตามต อ, ออกตามประตู <c oughs> ครับคุณคุณมีนี่เขาชื่อว่าลุงตาอรัอ <c oughs> ทางแม่เขาเรียกว่าพิตาพิตาอะไรข <c oughs> ออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่ า, าต้องปิดบังอะไร <c oughs> แล้วเขาก็จีเป็นอยู่น ะ, ะนะตัวแม่เพื่อนผมเองเขาก็เป็นคนที่จะเ็ก่งๆหน่อยเขาชอบรองใจอะไรแรงี้ <c oughs> ชอบทำมาตัวหาม ว่ารับได้ไห ม, mm. มได้ไหมชนได้ไหมเขาก็มานะเสม่ําเสมอ <Yeah. S 2> ไม่เคยมีคําว่าขาดตัวบุคคอะไรทําตัวยังไงก็อย่างนั้นตลอด mm. จนมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเหมือนวัดใจแล้วว่าจะล่วงเกินไหมจะอะไรไหมก็ไปกับหลายคน <Yeah. S 2> ปรากฏว่าสิ่งที่ทําให้คุณแม่ของเพื่อนมาทําใจก็คือเขาปูเสืออ mm. ปูเสือนะอยู่ด้วยกันและเอาหัวนอนชนกัน <Yeah. S 2> เลยเข่าปลายเท้าไปคนทางอย่างนี้คุย <Yeah. S 2> กันทั้งคืนเลยทําให้เขามีความสุขว่า mm. ไ, ได้แล้ล่ะคนนี้อื hmm. ก็เริมีการพูดกับพี่น้องว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะ hmm. พี่น้องก็เริ่มกลับมาพิสูจน์แบบจากที่กันแกล้งอะเลยกลายเป็นเปิดใจ hmm. เปิดใจแล้วก็คุยกันครับ hmm. แล้วคบกันไปคบกันมาเนี่ยถึงขนาดที่ว่าเข้าบ้านมาคุยกับพ่อแม่ของแม่ของเพื่ผมเนี่ยนะ hmm. เป็นส่วนตัวได้เลย hmm. ที่ด้ี่ความที่มาเป็นส่วนตัวได้บ่อยๆอย่างเงี้ย เขาทํา่อตำประตูผู้หลัใหญ่เขาก็ชอบเหมือนเนาะวันหนึ่งก็จะถึงวันเกิดของแม่เพื่อนผมเขาเงียบเลยนะเขาไม่พูดอะไรสักอย่างเขาเขาใช้วิธีการตุ้มมาคุยกับอาวาทีพ่ตาแม่ยายว่ากันเถอะตุ้มมาคุยแล้วสถาน ก, การณ์จะมาบ้านเนี่ยเขาจะมายืนคนละฝั่งคลองเป็นคลองแล้วพี่น ะ, ะแะล้วก็ตะโกนเรียกแบบให้มารับหน่อยก็จะมีคนภยัยแบบแลเรือไปรับอื<ะ>แล้วก็จะมาเชี่วบ้านเขานี้ก็เหมือนกันเขาแอ บ, บมาตอนกลางวันซึ่งแม่เพื่อนผมเนี่ย เขเปยรียนอยู่ตอนนี้เขาใกล้เรียนจบแล้วล่ะกำลังจะจบแล้วน่าจะเป็นปีสุดท้ายมั้งจะจบกันเก่งแล้วม่ายังไงได้แต่งกันแน่นอนเระคุณเนี้ยมาถึงก็มาเตรียมว่าเดี๋ยวันนี้เป็นวันเกิดนะไอ้คุณนี้จะเป็นวันเกิดวันนี้ผมไปสั่งเค้กไว้ไปสั่งตุ๊กตาที่เขาชอบเอาไว้จะ้วเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์จะมาทํานู่นนี่นั่นกันแล้วก็เป็นปกติโดยที่เขาอ้างกับแม่เพื่อนผมเนี่ยว่าไปชุ้ะ ไม่ได้เจอกันเลยมันนี้จล้มาเตรียมเรื่องนี้ไงเรียนจนแบบพี่น้องของแม่เพื่อนผมก็อกโอเคละ่ะก็ขอันเรือกลับไปส่งอีกฝั่งหนึ่งพอตอนหวัวค่ําเนี่ยแม่เพื่อนผมก็กลับมาบ้านค่อนข้างใจที่โรงเรียนเนี่ยกลับมาถึงก็มาอาบน้ำอาบช้าเข้าห้องพักทุ่นมนทำอะไรเหมือนปกติโดยที่คนในบ้านเนี่ยรวมถึงพ่อแม่ของเองเนี่ยก็เป็ในใจกับว่าที่ลูกเขยว่ากันเลยไม่ได้ปีปากบอกสักคำเลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันหนึ่ง ซึ่งเปนเืองเกิดของเขาแต่อยู่ดีทางฝั่งของคุณพ่อก็คือคุณตานะ่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยทำไมกะนี่ว่ามาดีนทำไมฟังวะตอนกลางคืนนะทางทางแมวก็เออแกกันลองไปดูมันซิเนะี่ยมันก็ไม่เรียกถนะ้มันมีอะไรหรือเปล่านะหรือมันจะลืมอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่กล้าเรียกคือคิดว่าการเสียเมื่อคงขัดตกบกห้องอะไรสักอย่างแต่ถ้าเรียกเนี่ยทางฝั่งแม่เพื่อนผมจะรู้ตัวไงนะ ครับเลยยืนให้เห็นเขาก็เลยอ่ะตัดสินใจพายเรือไปหาพอขายเข้าไปใกล้ๆแล้วหายอือแล้วเขาก็บอเฮยหือมันจะไม่ขึ้นได้ว่าไม่ต้องก็ได้ไม่จําเป็นด้วยอะไรไม่ต้องพายเรือมาให้ผมไม่รอเราหน่อยวะครับแต่อาเขาไม่เป็นไรเขากลับไปคุยให้กับอ่คุณยายฟังว่าเออหนูมันไปสิมันก็ไม่มีว่ะมันยังไงก็ไม่รู้เอางี้นะเดี๋ยวจพูดนี้ก็รู้เรื่องว่ามันลืมไาแล้วก็คุยกันเดีุนี้มัก็มา สวานฝัง่งแม่เพื่อนผมเนี่ยตอนเช้าเข้าไปโรงเรียนตามปกติอื hmm. แล้วก็ไปเข้าเรียนเข้าอะไรใช้ชีวิตปกติเลยอะ่ะเรื่องแฟนเขาก็ไม่ได้ไม่อยจะคิดเท่าไหร่เพราะยังไงก็คบกันมานานละ <Huh. S 2> ดีใจกันมานานก็คงค ง, คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขาเห็นเพื่อนเขาที่สนิทกันเนี่ยต้องเป็นแฟนเป็นแฟนกับเพื่อนของลุงอ้านนี้อีกทีหนึ่งนั่งตาแดงแดงแล้วก็พยายามผ่านละมองทางแม่เพื่อนผม <Huh. S 2> เดี๋ยวก็มองเดี๋ยก็ชำเรื่อง เขาเลยเหมือนประมาณว่าเฮจะมองอะไรนักหนาเนี่ยแล้วเป็นอะไรวันเนี้ยหูตาแดงไปหมดเลยเขาก็ใสยหน้าก้ําตาไหลนะเหมือนแบบไม่มีอะไรแม่เพื่อนผมก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาบอืงแต่มันใช้คำเรีองมองบ่อยเลยก็เลยสงสัยว่ามีอะไรนักหนาพูดเลยข้องใจอะไรมีอะไรหรืออยากให้ช่วยอะไรลองพูดถ้าช่วยได้จะช่วยเขาก็เลยบอกว่า แต่เราฟังดีๆนะแม่เพื่อนผมก็ไม่ได้ปิดฝังชื่ออะไรนะแต่ฟังดีๆนะพิ่ตาตายแล้วฮัลโหลครับคือมันตะยามะจะตกไหมฮะก็พี่ตาตายแล้วออืเขาแบบหึ่งไปนิดนึงแล้วก็นิ่งแล้วก็เหมือนกับไม่เชื่อบ้าเหรอมันเป็นไปไม่ได้เราจะมาตรงมาตายอะไรอย่างนี้เห็นมีข่าวมันู้เรื่องเลย คนคงก็มาตั้งนานทำไมต้องให้คนอื่นเป็นฝ่ายมาบอกล่ะเขาบอกจริงๆเรื่องจริงมไม่จริงหรอกมันเป็นไปไม่ได้เลิกเล่นอย่างนี้มันไม่ดีออเขาบอกจ ะ, จะพาไปดูศพก็ไปกันเลยไปถึงไปดูศพแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าหน้ายุบไปครึ่งหนึงเลยแล้วคือพอดูเนี่ยศพเนี่ยหน้ายุบไปครึ่งเพราะว่าชนชนกระสิบล้อแล้วชนตอนไหนรู้ไหมพี่แอือชนตอนที่คุณพ่อ ของของแม่เพื่อนผมเนี่ยใคเรียกลับมาส่งแล้วกินหมาไปกลับหลังจากที่มาวางแผนจะไปเซอร์ไพรส์จะมาเซอร์ไพรส์ใช่ครับเหรอกลับไปบ้านก็ชนวันนั้นเลย<อ>ไม่มีใครรู้เลยแะ่<อ>คืนนั้นแหะเข<อ>ามาดีในคุณพ่อของแม่เพื่อนผมไเห็ครับครับดูคุณตาแล้วเห็นก็แบบเขาก็ไล่เรียงลําดับออืแม่เขาบอกอยู่คำหนึ่งว่าจําคําที่แม่ของพี่ตาเขาพูดได้เขาบอกว่าแม่จะจาเอาไว้นะวันเกิดของแกวเป็นวันตายของตาออนน อคือเหมือนกันเขาจะจําไว้ว่าตรงกันนะเขาไม่ได้ผั่อาฆาตนะแต่มันจะตรงกันอะไรเงี้ยว่าถ้าอย่วันครบรอบวันตายลูกเขาก็เนี่ยคือก็เป็นวันเกิดของคนที่ลูกเขาหลักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนเขาก็เลยยอมปิดปากว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตาเนี่ยเขาไปแยมไว้นะเขาไปซื้อเค้สั่งเค้สั่งตุ๊กตาไว้เนี่ยแล้วเหมือนเจ้าของร้านเขามองหน้าหเึ่ง่อนจะจ่ายตังค์บอกยังไม่ต้องจ่ายหรอกถ้าเอาของไปแล้วให้มาจ่ายหูืเขาพูดอย่างเงี้ยนะ เขาก็เลยไปไล่เอามาทุกอย่างเลยนะตุกตูงตุกตายอมใจเองไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเขาอยากให้ไงก็ไปเอากลับมาแล้ววันเกิดวันนั้นเนี่ยของแม่เพื่อนผมเนี่ย ก, ก็เป็นวันที่เศร้าที่สุดสีเขาก็ยังจัดนะถามว่าทำไมถึงจัดผมถามแม่เขาแม่เขาบอกว่าคือทุกอย่างมันเตรียไมไว้หมดแล้วแล้วเขาก็เหมือนจะอยากดาเนินตามเจตนารม์ของขอ ง, งตาเนี่ยให้มันเป็นไป ง, งัน้นก็เป็นบรรยากาศที่เศร้าๆนะมันเกิดเศร้าๆ แล้วพี่น้องของแม่เขาจะมีแบบแสบเละตอนแรกก็เศร้าเขาเริ่มเมาๆเขเริ่มสรุกันบ้างแล้วพยายามพูดให้ผ่อนคลายครับทนจังหวะที่เขากำลังวุ่นๆกันอยู่เนี่ยเขาก็เวลาต่อเพลกเนี่ยต่อเพลกแล้วก็บอกเอาแต่เขาก็ทําตามความคิดของต้ามันเลยมันตั้งใจทําให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รวมตัวกันรวมตัวกันมาถ่ายลงถ่ายรูป มีการร้องแฮนนิเบิร์ตเดย์แต่ก็ร้องแค่เที่ยวเดียวนะ <Ừ. S 2> แบบเศ้าๆอ่ะร้องแบบไม่ค่อยมีเสียง<ะ>แล้วก็เป่าเคก้กสะพัดเมืหลังจากเป่าเค้กเนี่ยก็มีการนั่งดื่มเหล้ากันแล้ ว, ลวตะโกนเรียกแบบเฮ้ยตายมาเว้ย ม, มาคุณเคยม า, ค, าคุณมาดื<ะ>่มเหล้ากูนี่มามี่เปิดใจรับมึงแล้วว่าสะพัด ก, กิ่นมามอึม้มเหออือจนวงแตกเข้าบ้านกัน<ะ>แต่เรื่องสําคัญมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้พี่แจ๊ กล้องสมัยก่อนเป็นฟิล์มใช่ไหมพี่ค่ะถ่ายเสร็จก็ต้องไปล้างใช่ไหมใช่พอล้างรูปออกมาเนี่ยแม่เขาบอกตอนที่ยืนเป่าเค้กกันนะครับอยากทุกคนมายืนล้อมเค้กกันหมดอืมอืมแล้วแม่เลยยืนในตร ง, ตตตตงกลางสุดคือคนย่างของกล้งองคนที่ถ่ายรูปเนี่ยอพอถ่ายรูปออกมาเสร็จเราไปล้างปรากฏว่าในฟิล์มนั้ น, น่ะไม่ติดรูปใครเลยด้านข้างแม่อ ติดแต่เค้กตรงกลางขึ้นเค้กก็เห็นเป็นเรือนรางแล้วมีแค่เปลวไฟขึ้นมาส <Hey. S 2> ่วนแม่มีแต่หน้าและก็อหัวตัวเองอย่างเดียวตัวไม่มีคนอื่นไม่มีมันเป็นรูปที่<อ>ทุกคนเห็นแล้วบอกว่าเหมือนเป็นรางมากเลยเอออะจนต้องบอกว่าเอาไปทิ้งดีกว่าแล้วก็จุดธูปแล้วก็ทำนี่ทำบุญได้ดีแนละ้เหมือนขอกันดีกว่าตาจะรักยังไงก็อย่ า, ออยามายุ่งกับแม่เขาหน้าอะไรเพราะว่ารูปเนี้ยมันเป็นรูปที่ ผมยงพยายามถามแม่เขาอยู่นะพี่แจ็คผมไม่ลับปากแม่เขาบอกว่าตาเขาบอกให้ยิงไปเลยแต่เดี๋ยวเขาจะลองหาดูว่าถ้ามีอยู่เพราะมันเป็นรูปที่เขาคุยกันมาจากทุกวันนี้ในตระกูลของเขาเลยนะว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสาหรับเขาอทีอแบบเป็นเรื่องเศร้าๆทุกอย่างแบบี่นะโอ้โหกะจะได้ฉลองวันเกิดกะจะได้แบบเซอร์ไพรส์แต่ผลสุดท้ายคือโอ้คำพูดนั้นมันมันมันฟังแล้วมันก็เศร้าเหมือนกันนะวันเกิดของแม่ ก็เป็นวันวันเดียวกับวันตายของโอ้โหเฮ้ยฟังแล้วเศร้าอ่ะใช่ใช่คือแม่แม่แม่ของลุงคนชื่อต้าเนี่ยเขาบอกกับแม่แม่เพื่อนผมว่าแม่ก็จําไว้ว่าวันเกิดของแต้วเป็นวันตายของตาแม่คือจําไว้เหมือนจะว่าถ้าเกิดคนคบเล่าวันตายขอยงลูกเขาจะรู้ว่าเ น, นี่ยวันเนี้ยผู้หญิงที่ลูกคนรักที่สุดเนี่ยเกิดคบเล่ากว่า น, นี้อะไรอย่าเงี้ยเขาเขาไม่ได้พูดแบบไม่ไม่<ๆ>ไม่ดีอะไรเพราะเขาเป็รักกันดีเขายางังจับมือจับไม้กันเลยว่ามันไม่จริงใช่ไหมแม่มันเหมือนเรื่องโกหกใช่ไหม ภาพที่เห็นอยู่คือหน้าเขาเหมือนกปกติข้างหนึ่งเป็นข้างหนึ่งทีอยุบไปยับไปจาไม่ได้เลยอืเป็นไปได้ไหมฮะเราลองมาคิดกันเล่นๆว่ารูปที่ถ่ายออกมาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ลางหรืออาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยลุงเขาอาจจะมามาร่วมเฟรมมาอยู่ในวันเกิดด้วยแต่กล้องมันอาจจะถ่ายไม่ติดหรือเขาพยายามที่จะ จะปรากฏตัวออกมาต่อหน้ากล้องโดยไม่ให้คนอื่นเนี่ยติดมาในกล้องอยากให้ติดแค่คตัวเขากับตัวของป้าแตว้วเท่านั้นเองมันก็เป็นไปได้เนาะมันมันเป็นไปได้หลายคภางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยภาพมันน่ากลัวแม่เขาบอกว่านึภาพนะว่าเหลือแต่หน้าของแม่เขาลอยอยู่โดยที่เป็นตัวเลยนะออืแล้วก็เห็นเปลวไฟโดยที่ไม่เห็นตัวลำเทียนด้วยเห็นเปลวไฟขึ้นมาตรงหน้าเหมือนกําลังก้มที่จะเป่าอ่ะ แล้วก็ข้างล่างเป็นเค้กเดกินล่างๆงอ่ะแล้วคนที่ยินด้านข้างทั้งหมดไม่ติดใครเลยไว้แต่งเอาล่างๆอู้หูอือถ้ารูปนี้ยังอยู่มันก็ต้องเป็นรูปที่น่าสนใจมากนะรูปเนี้ยโอ้เขาบอกเขาเค ย, ยงานตะกูลคุยมาจนถึงวันเนี้ยขนาดขนาดรุ่นพี่ๆน้องๆของแม่เขาเนะี่ยแบบมีครอบครัวคนแบบครับแ ก, แก่อายุมากไปแล้วเป็นรุ่นพี่อย่างแก่เขาบอกว่าตอนเขายังคุยเรื่องนี้กันอยู่เลยอือ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ารูปเนี้ย ืสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าตาคุณตาหรือคุณพ่อนะของคแม่เนี่ยเขาบอกว่าให้ทิ้งไปแต่แต่เขาบอกเดี๋ยวจะลองค้นดูเผื่อเท่ามีอืมเผื่อเท่ามีถ้ามีหรือไม่มีอะไรยังไงก็บอกกันนิดนึงนะคุณคิงนะต้องถามเขาเขาจะผมรถามผ่านลูกเขาเพราะลูกเป็นเพื่อนผมนะได้ได้ได้ได้นะครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับที่คุณแม่ของเพื่อนเล่าให้ฟังเรื่องขอแสดงความรัก โ อ, อหน่ากลัวปนเศร้าครับเรื่องนี้หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซับสไครป์ช anel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs>